มันทัดทรงกรามอัดของศีลทั้งสองประการไว้ดีแล้วมาพิจารณานีจะเห็นความสําคัญของศีนมากเนยนะว่านี่คือลักษณะของศีนตามแนวเถราวาทของเราเนี่ยถือเอาความหมายของศีลสองความหมายนี้คือศีละนะเนี่ยนะที่มีความหมายว่าไม่เกลื่อนกลนกระจัดกระจายกับรองรับกุศลธรรมชั้นสูงอันเขาถ้าตั้งคําถามว่าศีลคืออะไรศีลก็คือความไม่เกลื่อนกลนกระจัดกระจาย หรือสิ่งที่รองรับกุศลธรรมชั้นสูงชื่อว่าศีลแต่ถ้าตามคำภีวิมุตติมัชวิมุตติมัชศีลเนี่ยพระอาธาวิวาอธิเสวนะแปลว่าเสพยิ่งอาธารณะรองรับศีละหรือตัดศีละเนี่ยพระอาธิวาปกติศีระแปลว่าศีสะกับศีตละแปลว่าเย็นหรือศีวะแปลว่ากเกษมอันนี้ตามตามนิย่าแห่ง กล่มคำพีวิมุตติมรักษ์เนี่ยนะจะให้ความมความหมายของศีลไปในนั้นไปแต่ถ้าตามคำพีของเราทั้งหลายถือเอ า, เอาการไม่เกลื่อนกล่นกระจัดกระจายทางกายวาจาอาชีพและรองรับกุศลธรรมชั้นสูงเป็นเป็นอัตถะของศีลเนี่ยนะศีลนั้นแม้จะมีประเภทต่างๆหลายอย่างก็มีศีละณะเป็นลักษณะสํารวมตัวนั้นมาจากศีลณะนะมีศีลณ ะ, ะเป็นลักษณะ เหมือนรูปมีประเภทต่างๆเป็นอันมากก็มีการเห็นได้ด้วยตาเป็นลักษณะสีในโลกนะมันจะสีเขียวสีขาวสีเหลืองสีดําสีแดงสีชนิดใดก็ตามอนะสีสีทั้งหมดเหล่านั้นเป็นสมบัติของคนมีตาใช่ไหมถ้าสีสวยๆถ้าตาบอดตัวอย่างเดียวก็ไม่ได้เรื่องแล้วนะใครจะว่ารูปสวยมากหรือใครจะเกิดเป็นคนสวยมากอนะจะไปอยู่ในสมาคมคนตาบอดนี่ก็หมดเลยนะอดเลยยังไงประกวดไม่ได้แล้ว นั่นท่านจึงอธิบายว่าเหมือนอย่างว่าความที่รูปายตรนะณะแม้มีประเภทต่างๆเป็นอันมากโดยประเภทแห่งสีมีสีเขียวและเหลืองเป็นต้นก็มีการเห็นด้วยตาเป็นลักษณะเพราะไม่ก้าวื่องความที่แห่งรูปายตรนะณะมีประเภทต่างๆโดยประเภทแห่งสีเขียวเป็นต้นก็เป็นรูปายตระณะที่เห็นด้วยตาได้ฉันดายะนะคือสีทุกโลกสีทุกอย่างในโลกเป็นสมบัติของคนมีตาเนี่ยนะสีละวนะ คือความสำรวมแห่งศีลแม้มีประเภทต่างๆหลายอย่างโดยประเภทแห่งวิรัตมีเจตนาวิรัตเป็นต้นะจะเป็นจารีตศีลวารฤตศีลจะเป็นปาริโมคขสังวลศีลอินทรีสังวลศีลปัจยะ ส, นสันนิสิตศีลอาชีวปาริสุธทธิศีลเป็นต้นนะศีลเหล่านั้นทั้งหมดก็เป็นที่รองรับกายกรรมและวิจีกรรมหมายถึงว่าศีลเหล่านั้นจะมากมายขนาดไหนก็เนี่ยรักษากายวาจามไม่ให้ เกลื่อนกลลกระจัดกระจายวุ่นวายกับเป็นที่ตั้งที่รองรับแห่งกุศลธรรมสินเนี่ยจะะ ม, มากมายขนาดไหนก็ทั้งเลยวัตถุประสงค์ของศีลอยู่สองประการนี้เท่านั้นแหละคือกายวาจาไม่เกลื่อนก ล, น ก, ลนกระจัดกระจายเสียหายกับรองรับกุศลธรรมชั้นสูงศีละณะนั้นนั่นแหละเป็นลักษณะของศีลแม้มีประเภทต่างๆหลายอย่างโดยประเภทแห่งวิรัตมีเจตนาวิรัตเป็นต้น เพราะไม่ก้าวล่วงความเป็นที่รองรับและเป็นที่ตั้ง น, นะคออือยังไงยังไงก็เพื่อรักษากายวาจาอาชีพไม่ให้เสียหายกับรองรับกุศลธรรมชั้นสูงอันนี้ได้แล้วนะ ล, ลักษณะของศีล น, นะลักษณะของศีลคือศีละนะเพราะอธิถาว่ากายวาจาไม่เกลือกล่อนกลลกับรองรับกุศลธรรมชั้นสูงส่วนกินะมีการกำจัดความเป็นทู่ทุศีลอันนี้เป็นกิจนะกิจรส และคุณคือความไม่มีโทษอันนี้เป็นสมบัติติรสนะนนกำจัดความทุศีนนะกำจัดความชั่วทางกายออกไปกําจัดความชั่วทางวาจากําจัดความชั่วทางอาชีพอันนี้เป็นหน้าที่ของศีลกิจของศีลเมื่อเกิดขึ้นจะ ก, กําจัดความชั่วทางกายและวาจาออกไปส่วนสมบัติรสศนะว่าความถึงพร้อมแห่งศีนก็คือไม่มีโทษนะนผู้มีศีนดีคือผู้ที่ไม่มีโทษ คำว่าไม่มีโทษนี่แค่ไหนตัวเองพิจารณาโดยแยกคายแล้วก็ตําหนิตัวเองไม่ได้อาถามว่าคนที่สํารวมวาจามาตลอดเลยนะรักษาวาจาพูดแต่อยู่ในสัมมาวาจามาตลอดจะตําหนิตัวเองเพราะเรื่องวาจาได้ไหมไม่ได้และผู้อื่นพิจารณาแล้วตําหนิได้ไหมไม่ได้เนี่ยนะพราะนผู้ที่ศีลดีเนี่ย น, นะมีความไม่มีโทษที่ตัวเองจะพึงตําหนิเป็นต้นได้ไม่มีนะ ผู้อื่นใข่ครควญดีแล้วก็ตำหนิไม่ได้แล้วก็คนที่ศีลดีก็ไม่หลงทำกาลกิริยาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเป็นชีวิตของอชีวิตของคนมีศีลเป็นชีวิตที่ไม่มีโทษคนมีศีลคือคนที่ติดอบายได้เหะนไรักษาศีลดีเนี่ยปิดอบายได้ดดดดไดแต่คำว่าศีลเนี่ยเดี๋ยวจะเรียนข้างหน้าต่อไปนะไม่ใช่ว่านั่งนิ่งๆแล้วเป็นศีลใช่ไหมเพราะศีลเนี่ยต่างโดยจารีศีลกับวารีศีล เกี่ยวกับเรื่องศีลห้านะอันนี้ต้องงดเว้นอย่างเดียวส่วนจารีศีลล่ะก็เนี่ยมีพ่อมีแม่ถ้าไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ศีลไม่ดีนะเรียกว่าคนศีลไม่ดีเลยถ้ามีพ่อมีแม่เป็นต้นแล้วไม่ไม่ประพฤติวัดกับพ่อกับแม่นะหมายว่าไม่เลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยเรียกว่าคนศีลไม่ดีเลยันคําว่าผู้มีศีลเนี่ยนะก็กําจัดสิ่งที่ไม่มีโทษออกไปถ้าตัวเองไม่เลี้ยงพ่อแม่เนี่ยถามว่าตัวเองไปตีเตียนตัวเองได้ไหมได้ได ลูกหลานคนอื่นๆหรือคนดีๆทั้งหลายเขาจะชมไม้ยไม่ชมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่ศีลดีนะจะมีไม่มีโทษที่ตัวเองจะต้องกินแหนงแคลงใจหรือผู้อื่นมาตำหนิติเตียนได้เพราะฉะนั้นความถึงพร้อมหรือสมบัติแห่งศีลคือความไม่มีโทษกิจของศีลหน้าที่ของศีลก็คือกำจัดความทุศีลออกไปเพราะฉะนั้นบัณฑิตทึงทราบว่ามีการกาจัดความ เป็นผู้ทู้ศีลเป็นระสะหมายถึงกิจรสเนี่ยนะกิจของศีล น, นั่นเองส่วนความไม่มีโทษเป็นสมบัติรสเนี่ยนะสัมปัติระสะเนี่ยนะแปล ว, ว่าความถึงพร้อมทีนี้มาดูอาการปรากฏของศีลว่าศีล น, นี้นั้นวินยูชนทั้งหลายพันนาไว้ว่ามีความสะอาดเป็นอาการปรากฏปัจจุประทามเนี่ยนะ ก็คนที่ศีลดีนะันดูได้จากหนึ่งความสะอาดทางกายความสะอาดทางวาจาและความสะอาดทางใจเรียกว่าโสเจยะเนี่ยนะกายะโสเจยะวจีโสเจยะมโนโสเจยะคนที่สะอาดทางกายวาจาและใจเรียกว่าเป็นผู้ที่ศีลดีหรืออาการที่ปรากฏของศีล น, นนะไม่ใช่ศีลนี่เก็บไว้แต่ในใจอย่างเดียวใช่ไหมกายวาจาไม่ได้เรื่องอ น, นะไม่ใช่ดังนั้นคนที่ศีลดีเนี่ย เป็นผู้ที่สะอาดคําว่าสะอาดในที่นี้นะกายก็ไม่อาศัยกายไปทําชั่วไม่อาศัยวาจาไปพูดชั่วเรียกว่าศีลดีฮิริโอต ป, ปะเป็นเหตุใกล้ของศี น, น, นฮิริโอต ป, ปะนะั้นสคัญมากเป็นเหตุใกล้แห่งศีลอธิบายเพิ่มเติมว่าความสะอาดกายความสะอาดวาจาความสะอาดใจย่อมถึงซึ่งความนับว่าปรากฏโดยความเป็นของสะอาด ส่วนฮีรีและโอตาปะวินยูชนทั้งหลายพันนาาไว้ว่าเป็นเหตุใกล้ของศีนนั้นอธิบายว่าเป็นเหตุใกล้อาสานอการก็เหตุใกล้นนะเพราะเมื่อหีรีและโอตาปะมีอยู่ศีนก็ย่อมเกิดขึ้นและตั้งอยู่เมื่อหีรีและโอตาปะไม่มีศีนก็ย่อมไม่เกิดขึ้นและไม่ตั้งอยู่ฉะนั้นผ้าทั้งหลายมีอะไรเป็นเหตุใกล้นะผ้าผ้าผ้ามีเส้นได้ที่อยู่ในตัวผ้านั่นแหละเป็ น, ดดนหเหตุใกล้แห่งผ้าถามว่าเหตุไกลของผ้าละ่ะ โรงงานคนทอโอเส้นใหญ่เส้นยางสรารพัดนั่นนะมีใครมีความรู้เรื่องทอผ้าบ้างอ่นแหละนั่นแหละก็หะเหตุใกล้ล่ะแต่แต่เหตุใกล้ของผ้าจริงๆก็คือเส้นได้ที่อยู่ในตัวตัวผ้าศีลก็เหมือนกันตัวเหตุใกล้ติดติดศีลเลยคือหิริโอตะปะจะดูได้ว่าใครมีศีลหรือไม่มีศีลก็ดูจากหิริโอตะปะละอายต่อทูตจิตไหม เกรงกลัวต่อผลแห่งทูตจริญไหมถ้าไม่มีสองตัวนะสอบถามยังไงก็ไม่มีอัธยาศาัยพอที่จะอายชั่วกลัวบาปนัคนนั้นศีลไม่ดีแต่ที่เขายังไม่ละเมิดบางอย่างเพราะไม่ได้ปัจจัยเนีย่ยนะไม่ได้ปัจจัยเท่านั้นเองก็ถามว่าอย่างบางคนนั่นนั่งนิ่งๆไม่โกรธหรอกแต่ก็ถามว่าความโกรธนี่ดีไหมก็ไม่เสียหายถ้าเลิกโกรธนี่ดีไหม เลิกโกรธจะไปสนุกยังไงแต่ตอนนั้นเขาไม่โกรธนะถามว่าเราจะรู้ได้ไหยคนเนี้มายังโกรธอยู่หรือเปล่าก็ถ้าได้ตัดใ จ, จแล้วก็เดือดร้อนแะน่นี่ก็เหมือนกันนะศีลก็เหมือนกันก็สอบที่หีริและโอตะ ป, ปะดูว่าหีริโอตะ ป, ปะมีไหมอายชั่วกลัวบาปไหมคําว่าอายชั่วเนี่ยนะละอายใจไหมที่ตัวเองจะทําชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาละอายใจต่อตัวเองไหมที่จะพูดชั่วทําชั่วคิดชั่วเนี่ยนะหรือเกรงใจพระพุทธเจ้าบ้างไหมเวลาจะทําชั่ว จะพูดชั่วหรือจะอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอันนะเกรงใจพ่อแม่เป็นต้นบ้างไหมหรือว่าเสียวนรกบ้างหรือเปล่าในใจอ่ะนะอันนั้นแหละพอที่จะเตือนได้ว่าศีลดีหรือไม่แต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่เลยเพียงแต่ที่เขาไม่เสียหายเพราะยังไม่ได้ปัจจัยถามว่าเหตุไกลของศีนนะ่ะเหตุไกลของศีนก็คือการคบศัตว์บูรุษการฟังธรรมเรื่องศีลการฟังอ น, นิสงค์ของศีลเป็นต้นอ่ะนะพวกนั้นเป็นเหตุไกล เหตุใกล้ก็เฮริโอตาปะยานที่สหรคตด้วยศีลสัมปยุทธ์ด้วยศีลนั้นโดยวิธีที่กล่าวมาแล้วอย่างนี้ชื่อว่าศีลมยญาณเนี่ยนะศีลละเมเยญาณังเนี่ยนะศีปัญญาที่เกิดร่วมกับศีลสรุปนะวันนี้ไม่ได้อะไรกลับบ้านก็ได้ศีลไปอย่างดีศีลพขาอาว่าศีลละนะศีละนะศีละนะศีละนะคือที่ตรงนี้แปลว่าสำรวจมาเนะหมายคำว่า กายวาจาไม่เกลื่อนกลลกระจัดกระจายบาลีเรียกสมาทานังกับศีนเนี่ยรองรับกุศลธรรมชั้นสูงเรียกว่าอุปธารนังเนี่ยนะพอน่าใครประสงค์ที่จะเจริญสมถะวิปัสนาจะทําตีรณะปริญญาเป็นต้นนะยังไงยังไงก็อย่าลืมปิดอบายไปก่อนล่ะนะศีนเนี่ยเป็นตัวที่ปิดอบายเนี่ยนะก็กายสังวรวจีสังวรมโนสังวรนี่ให้มากเพราะว่าสังวรศีลตัวนี้แหละเป็นตัวที่รองรับคุณธรรม ชั้นสูงอันนี้เป็นลักษณะของศีลเนี่ยศีลเนี่ยถ้าตั้งคําถามอีกในหนึ่งว่าศีลมีลักษณะยังไงบอกศีลมีลักษณะรองรับกุศลธรรมชั้นสูงบางแห่งนี้กล่าวไว้เลยว่าใครที่จะสร้างเจดีเนี่ยนะพูดถึงโบราณนะไม่ค่อยมีตึกอะไรใหญ่หญหญๆโตๆเท่ากับเจดีใช่ไหมการที่จะสร้างเจดีไม่ให้เจดีร้าวเนี่ยนะสมัยโบราณซึ่งไม่ได้มีปูนแบบสมัยเนี่ยนะ ท, นท่านทาํำยังไงไม่ให้เจดีมันร้าวได้อน่ะก็ฐานคือพื้นเป็นอย่างดีเลยอ่ะ ท่านจึงสร้างองค์พระเจดีย์ได้ฉัน้นใดผู้ที่จะเจริญวิสุทธิชั้นสูงโดยเฉพาะญาณทัศนวิสุทธิคืออริยมรรคเนี่ยนะฐานชั้นล่างเลยนะถ้าเปรียบเทียบญาณทัศนวิสุทธิเหมือนยอดเจดีย์เลยอะ่ะองค์แห่งพระเจดีย์คือวิสุทธิที่เหลือส่วนฐานคือแผ่นดินที่จะรองรับเจดีย์นั่นแหะคือศีลวิสุทธิกับจิตตาวิสุทธิถ้าไม่มีศีลวิสุทธิจิตตาวิสุทธิดีนะโอยอดเจดีย์เนี่ยจะ ชี้ไปไหนดีไม่รู้จะชี้ดาวดวงไหนก็ไม่รู้นะไม่ได้ชี้ตรงๆแล้วนั้นเพราะฐานชั้นล่างๆเจดีย์บางแห่งเนี่ยนะอย่างเจดีย์หลวงอะทําไมจึงร้าวเพราะฐานไม่ดีเจดีย์หลวงไหมที่แรกไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกไม่ได้ทรงแบบนี้นะก็เลยพอแผ่นดินมันไหวใช่ไหมพอแผ่นดินไหวปับ๊บเจดีย์ก็ร้าวก็เลยได้ทรงแบบพิสดารมาใหม่ขึ้นมา จริงแล้วก็คือฐานชั้นล่างไม่ดีแต่อย่างที่อื่นๆเนี่ยนะที่ที่ตั้งเป็นองค์เจดีได้อย่างสวยงามเนี่ยก็เพราะฐานชั้นล่างดีเนี่ยนะถ้าฐานล่างล่างไม่ดีละแยะตึกชั้นสูงสูงก็เหมือนกันนะถ้าแผ่นดินไหวอะไรจะเกิดขึ้นนะคุณธรรมชั้นสูงสูงที่ใครได้คุณธรรมคือสมถาวิปัสนาเป็นต้นนะลองทูศีลดูเถอะไม่ต้องลองนะแลงเครียกว่าลืมเป็นอบัติสักอย่างถ้าเป็นพระพิสูจน์เนี่ยนะลืมเปลลืมปลองอบัตแค่นั้นแหละ สมมติว่าแต่เกิดทําอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรียกว่าศีรษาบทของพระนี่มันจะมีสองอย่างคือรู้ก็เป็นไม่รู้ก็เป็นขอให้ทําอย่างนั้นเถอะนึกได้ก็เป็นหรือลืมไปเผลอไปก็เป็นอย่างเงี้ยถ้าเป็นแล้วนะเออไม่ทําคืนอะ่ะแกล้งเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยววันนั้นไม่ต้องอะไรละยอ่านพระไตรปิฎกก็ไม่โสมนัสอ่านะพิจารณาธรรมะ ก, ก็ไม่โสมนัสอะไรก็ไม่ดีสักอย่าง เพนั้นคนที่ศีลไม่ดีเนี่ยนะโดยมากเจริญสมถาวิปัสนาเนี่ยยากแต่คำว่าเจริญยาก